สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่203ร้อสิทธิอานาจของพระเยซูตอนที่สเกี่ยวข้องกับบทภาวนานะครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสดุ ด, ดี104สรสดุ ด, ดี104ข้อที่31 –อดจนถึงข้อที่35ิ้โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าขอพระสิริของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิต ขอพระเจ้าทรงเปรมปรีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงทอดพระเนตรโลกมันก็สันสะท้านผู้ทรงแตะต้องภูเขามันก็มีควันขึ้นมาข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าขณะข้ายังเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสดุ ด, ดีถวายพระเจ้าของข้าขอการภาวนาของข้าเป็นที่พอพระทยัยข้าเปรมปรีในพระเจ้า ขอคนบาปถูกผลนเสียจากแผ่นดินโลกและขออย่าให้มีคนอธรรมอีกเลยจิตใจของข้าเอยจงถวายสาธุการแ ด, ด่พระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดพี่น้องครับบทภาวนาเกี่ยวข้องกับสิทธิอำนาจของพปรเยซูซึ่งโยงกลับไปสองตอนที่ผ่านมาเมื่อสองวันที่แล้วพี่น้องครับสองวันที่แล้วนั้นเราเรียนรู้ถึงเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเจ้าเหนือธรรมชาติ เหนือเหตุผลเหนือผีร้ายและสามารถที่จะช่วยชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากการผูกมัดของสิ่งต่างในโลกนี้ได้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์จึงมีชื่เทียมหน้าเหนือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขอให้การภาวนาของเราในเช้าวันนี้เป็นที่พอวัดไทยของพระองค์เพื่อที่แ้าพระองค์จะเปรมฟรีในพระเจ้า สดุดีบทที่หนึ่งร้อยสี่ข้อสามสิบสี่กล่าวว่าขอาการภาวนาของข้าเป็นที่พอพัฒยคข้าเปรมปรีในพระเจ้านี่เป็นคำอธิษฐานของข้าพเจ้าของผมที่อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้ให้เสียงจากสีบานนี้จะเป็นเสียงแห่งพระพรที่จะนาพระเจชนะของพระเจ้าไปถึงชีวิตของพี่น้องผู้ที่ได้ยินได้ฟังทุกๆวันทุกๆคนพระเยซู เสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับเขาว่าริษธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วพระเยซูทรงรับสิทธิอำนาจเหนือผีเหนือมารซาตานซาตานใช้ผีหรือวิญญาณชั่วกระทำการควบคุมมนุษย์ครับทุกวันนี้เราเห็นสิ่งต่างๆที่ควบคุมชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการมารณ์เรื่องของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดสุนาสุรานารีพาชีกิฬาบัตรทั้งหลายพี่น้องครับเราเห็นสิ่งต่างๆที่ควบคุมชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมือของมารซาต า, านเราเจตนาริฐานเผื่อสําหรับพี่น้องที่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้พี่น้องหลายคนมีความทุกโศมีความขมขื่นในชีวิตมีรากแห่งความ ผมขืนเกลียดชังตกอยู่ในความกลัวหรือบางคนมีอารมณ์ร้ายควบคุมชีวิตของตัวเองหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือมีความเ ท, ทะเยอทะยานหวังในอำนาจลาบยศชื่อเสียงต่างๆเราจะต้องภาวนามีตั้งจิตภาวนาด้วยใจสงบครับเราต้องไข้ควรด้วยจิตใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าการไข้ควรภาวนา พระเจนะของพระเจ้านั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่ความจริงจากพระเจ้าของพระเจ้าในแต่ละตอนที่ทั้งหลายได้ยินได้ฟังไปนั้นจะซึมซาบเข้าไปอยู่ในจิตใจของพวกเราจะทําให้ความเชื่อความไว้วางใจในสิที่อํานาจความศรัทธาในตัวของในพระองค์มากยิ่งขึ้นพี่น้องครับหากเรายึดมั่นต่อพระเจ้าด้วยความรัก พระองค์จะทรงกอบกู้เราจากความหวาดกลัวทั้งหลายพระองค์จะชงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายอำนาจของความบาปทั้งหลายอำนาจของสิ่งเสพติดทั้งหลายอำนาจของสิ่งยั่วยวนทั้งหลายในโลกนี้เพราะพระองค์ทร ง, งรู้จักชื่อของเราแต่ละคนเพราะเราแต่ละคนนั้นเป็นบุตรคนหนึ่งของพระองค์ที่มีความสำคัญเราทั้งเป็นเหมือนกับแก้วตาดวงใจของพระเจ้า พรงจะต้องคุ้มของเราอย่างแน่นอนพระองค์รู้ถึงสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนลึกและพระองค์ทรงโพงมันขึ้นมาเพื่อที่เราจังลาจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นความดีของพระองค์เองที่มอบให้กับเราและเราลืมไปแล้วหรืออาจจะเป็นความชั่วร้ายความบาปที่เราซ่อนไว้หากว่าเราถวายชีวิตให้กับพระองค์เราภาวนาพราะวจะนะของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เราจะได้การช่วยเหลือช่วยกู้จากพระเจ้า <c oughs> เมื่อเราทูลขอต่อพระองค์พระองค์ทรงสัญญาว่าจะตอบแน่นอนเมื่อความทุกข์ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงอยู่ด้วยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านท่านไม่ได้ไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มที่ไม่ได้ยอมให้สิทธ่อำนาจของพระองค์ควบคุมชีวิตและจิตใจของเราหาก เราบางคนยอมให้ความโลภในเรื่องเงินทองหรืออำนาจเข้ามาควบคุมจิตใจจนมีสิทธิอำนาจเหนือพระเจ้าเหนือเราแล้วขอให้เราอธิษฐานสารภาพความผิดบาปครับขอให้พระเจ้ากลับเข้ามาควบคุมชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมขอให้พระเจ้าช่วยให้เรารู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของชีวิต จัดลำดับความสำคัญปัจจัยต่างๆอันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราอย่างเหมาะสมหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทาให้เราห่างเหินไปจากความรักมั่นคงของพระเจ้าก็ขอให้เราทูลขอให้พระองค์กลับมาให้ความรักของพระองค์ได้เปี่ยมลน้นและเราจะสัมผัสได้เราจะประจักษ์ถึงความรักมั่นคงของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้เราดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวให้เราสารภาพบาปต่อพระองค์หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกาะกินกัดกร่อนชีวิตของเรามาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นรากที่ขมขื่นรากแห่งความเกรียดชังรากแห่งความกโกรธรากแห่งความไม่ให้อภัยพี่น้องครับให้เราอธิษฐานพูลขอให้สิทธิที่อํานาจ ความอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราทุนของให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะควบคุมชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะมีผลของพระวิญญาณพี่น้องครับเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดดารงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจทรงสามารถทาการอัศจรรย์ได้เมื่อวานนี้วนันนี้และในอนาคต เราสามารถที่จะไว้วางใจะเดียวกันครับพระองค์ทรงลิ้มรสแห่งความเป็นมนุษย์พระองค์เหนื่อยพระองค์หิวพระองค์เจ็บปวดพระองค์ถูกทรยศหักหลังพระองค์ผิดหวังต่างๆมากมายพี่น้องครับพระองค์เข้าใจในฐานะความเป็นมนุษย์แล้วพระองค์เข้าใจความรู้สึกของเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์พระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยเหลือเราทั้งหลายและพระองค์ ไม่ได้เป็นศาสดาที่ตายไปแล้วแต่พระองค์ทรงเป็นองค์พระบุญเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงพระชนอยู่เพราะพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเองนะครับในขณะเดียวกันเราก็อธิษฐานขอให้คนที่เป็นคริสเตียนครับที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าพวกเราทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นพยานเหมือนกับคนชายที่ผีเข้าแล้ว พระเยซูทรงขับไล่มันออกไปพระเยซูทรงสั่งให้เขาได้ไปเป็นพยานกลับไปเป็นพยานที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนพี่น้องครับทศ บ, บุรีคืออะไรในชีวิตของเราครับทศ บ, บุรีหมายถึงคนในครอบครัวของเราทศ บ, บุรีหมายถึงคนที่อยู่ในที่ทํางานของเราทศ บ, บุรีมีความหมายถึงคนที่เราทั้งหลายรู้จักพี่น้องครับนี่เป็นพระมหาบัญชา ของพระเยซูที่ทํากับหรือองค์พระบรมราชองค์การของพระเยซูที่สั่งพวกเราทั้งหลายทุกคนที่มีประสบการณ์กับพระองค์นะครับหากว่าชีวิตของเราเคยรู้สึกว่าเราขาด ก, การควบคุมตัวเองหากเรามีความกดดันถูกกดดันจากคนรอบข้างจากสถานการณ์แวดล้อมจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น หากเรามีปัญหาเรื่องการหาเงินทองมาใช้จ่ายในสิ่งของที่จําเป็นหากเราจะต้องอยู่ในฐานะที่ต้องคอยเอาใจคนรอบข้างตลอดเวลาหากเรามีความรู้สึกอึดอัดโกรธหงุดหงิดยุ่งยากถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับอยากจะให้วีน้องได้ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งถวายตัวของเราให้กับพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงควบคุม และนำชีวิตของเราต่อไปแม้ว่าบางท่านอาจจะเป็นคริสเตียนมานานนะครับแต่ยังไม่เคยมอบชีวิตถวายให้กับพระองค์เพื่อที่จะให้พระเยซูเข้ามาควบคุมชีวิตของเราหลายๆคนอาจจะเคยทำการมอบถวายชีวิตมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ยืนยันและไม่ยอมที่จะเข้ามาเต็มตัว ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสําหรับเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกตั้งแต่ก่อนเราเกิดพรงเพียงแต่คอยให้เราทูลขอพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดขอพระองค์ทรงโปรดแสดงแผนการของพระองค์สำหรับข้าพเจ้าเถิดขอทรงโปรดแสดงแผนการของพระองค์สำหรับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เชื่อฟังและทําตามบางคนที่ฟังอยู่นะครับ อาจจะไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นบังเกิดใหม่แล้วหรือยังพี่น้องครับนี่เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองครับว่าเรานั้นได้บังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าปากกับปากและใจของเราตรงกันหรือเปล่าตอนที่เรารับพระเยซูเรามีความเชื่อความศรัทธาไว้วางใจพวกอย่างเต็มที่หรือเปล่าในชีวิตโปรดพิจารณาคําถามต่างๆเหล่านี้เพื่อดูว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับพวกเราอาเมน